ทีนี้ในโมหะสูตรต่อไปนะครับในสูตรที่สจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุ น, นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นแม้นิวร์อันหนึ่งอย่างอื่นซึ่งเป็นเหตุให้หมูสัตว์ถูกนิวรณ์หุ้มห่อแล้วเล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนนิวร์คืออวิชชานี้เลย ดูการพิสูจนทั้งหลายมูสัตว์ผู้ถูกนิวร์คืออวิชาหุ้มห่อแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานนะครับที่บอกว่าอาวิชาเป็นเครื่องกางกั้นนี่นะมีตันหาเป็นเครื่องผูกมัดเนี่่น้ำตาของเธอที่ไหลออกเนี่ยนะพอเสียใจที่พ่อตายแม่ตายเป็นต้นเนี่ยมากกว่าน้ําในทะเลมหาสมุทรเนีเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็จะแยกเพราะมันเอกนิบาศหมวดหนึ่งยกแยกเอาเฉพาะไอ้ที่เรียกว่าเครื่องกั้นเนี่ยนะ ในบรรดาเครื่องกั้นทุกชนิดที่ยิ่งกว่าอาวิชานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้หมูสัตว์ถูกทุกขธรรมนั้นหุ้มห่อแล้วท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนหมู่สัตว์ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้วไม่มีเลยนะครับ มันคล้ายๆกับนึกนะเหมือนกษัตริย์อยู่ในไข่นะอยู่ในเปลาในในไข่นะแล้วก็ไออวิชาก็เหมือนกับกระเปาะไข่เสร็จแล้วก็โยนจากข้างบนมันก็กลิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันมีแต่กลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งวนไปเรื่อยๆนัมันก็กลิ้งไปแบบนั้นแหละนะอวิชามันห่มหอกสัตว์เนี่ยวงวนเวียนเวียนวนอยู่เนี่ยนะครับสังสารวัตเนี่ยนะมันมันตายอ่ะแต่ว่ามันถูกอวิชาห่มห่ออยู่นะครับคือสัตว์ที่อยู่ข้างในอ่ะมันมันก็เหมือนกับเดิน แล้วมันก็เหยียบข้างนี้มันก็กลิ้งไปทางนี้เหยียบซ้ายมันกลิ้งไปขวาเป็นต้นเนี่ยนะคือคือไอ้เคยๆ เ, เ, เหมือนกับยืนอยู่ในถังอ่ะ น, นะเหมือนเข้าไปในถังแล้วถ้าเหยียบทางโน้นทั้งนี้มากนะมันก็จะกลิ้งไปตามเนี่ยสัตร์ทั้งหลายก็เหมือนอวิชชานี่มันหุ่มหอกลิ้งไปในทุกอิริยาบถเป็นต้นเนี่ยคนระับมีกระเปาะห่ออยู่งั้นนะ่ะเหมือนมนุษย์อวกาศถูกหอ่อแบบนั้นนะครับ นะแต่ว่าห่อแบบกลมๆเลยกลิ้งไปในสังสารธาตุกันเนี่ยนะก็ไม่เคยคิดจะกระเทาะ อ, ออกจากสิ่งเหล่านี้นะครับก็อยากกลิ้งไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับหมายอยากจะเที่ยวรอบโลกอยากไปดูน่นดูนี่ดูนั่นดูนั่นก็อวิชาเนี่ยพากลิ้งไปเรื่อยๆนะก็ไปดูอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้สว่างขึ้นเพราะไปนั้นๆเลยถึงไปอยู่ที่ไหนก็ช่างแต่ครับไม่ได้ทะลุทะลวงอวิชาอะไรเลยนะครับ ส่วนพระอริยาสาวกเหล่าใดละโมหะแล้วทําลายกองแห่งความมืดได้แล้วพระอริยาสาวกเหล่านั้นย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีกเพราะละอวิชาอันเป็นต้นเหตุหแห่งสงสารย่อมไม่มีแก่พระอริยาสาวกเหล่านั้น น, นะคืออวิชาที่เป็นเหตุแห่งสังสารวัฏเนี่ยท่านท่านละหมดแล้วท่านไม่มีอวิชาในขันเลยไม่มีอวิชาในธาตุเลยไม่มีอวิชาในอายตนะเลยนะครับ เพราะยังรู้ถึงขันข mm ันสมุทัยขันนิโรธขันนิโรธคามินีปฏิปทาแทงตลอดช่ําแรกออกแล้วหรือว่าอายตนะอายตนะสมุท land ัยอายตนะนิโรธอายตนะนิโรธคามินีปฏิปทาท่านก็แทงตลอดแล้วนะครับหรือว่าธาตุธาตุสมุทัยธาตุนิโรธาตุนิโรธคามินีปฏิปทาท่านก็แทงตลอดหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ถูกอวิชชาหุ้มห่อในขันธาตุอายตนะเลยนะครับ ทีนี้ในอัตถกาถาเริ่มอธิบายดีนะครับสูตรนี้อธิบายชัดเจนนะครับผมสถานในอัตถกาถาสูตรนี้เพราะขยายพิสดารดีนะครับบดว่าอันยังได้แก่ธรรมะอื่นจากนิวร์คืออวิชชาที่จะต้องกล่าวในบัทนี้บทว่าเอกนิวรณัมปิได้แก่ธรรมะป้องกันไม่ให้บรรลุความดีอย่างหนึ่งนะครับคือนิวร์เนี่ยนะ กางกั้นไม่ให้กุศลเกิดเลยนะครับไม่ว่าความดีกายวาจาใจานี่นะมันปิดไว้หมดและครับมันเปิดแต่ความชั่วอย่างเดียวเปิดประตูให้ทำชั่วได้แต่ปิดไม่ให้ทำดีนะครับบทว่าสามนุปัสสามินะครับที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเราไม่พิจารณาเห็นนะครับก็ขยายศัพท์คำว่าสามนุปัสสนนี่นะครับ ได้แก่สมัมโนปัสนาที่จริงสัพท์ว่าสัมโนปัสนาเนี่ยนะครับแปลว่าการพิจารณาเห็นเนี่ยมี2 อ, อย่างคือทิฏฐิสมัมโนปัสนาการพิจารณาด้วยทิฏฐินะครับทิฏฐิเป็นตัวพิจารณานะกับญาณะสัมโนปัสา น, ปนาการพิจารณาเห็นด้วยยานก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นตัวพิจารณาอย่างหนึ่งมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่า อ่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุพิจารณานั่นเองนะครับอันนี้ในสมนุปัสนาสองนั้นการพิจารณาเห็นที่มาโดยบาลีเมียที่ว่ารูปังอั ต, ตโตสมนุปัสติพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตานี้ชื่อว่าทิฏฐิสมนุปัสนานะครับอันนี้อยู่ในขันธวรรคกนะื สูตรนี้นะครับทิฐิเชื่อว่าสามณุปสัสสนาสูตรนะครับแต่เป็นสมณุปสัสสนาสูตรแบบมิจฉาทิฐินะครับคือเมื่อจะพิจารณาเห็นรู ป, ปขันเป็นต้นโดยความเป็นอัตตาเนี่ยนะที่ว่าเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเวทนาโดยความเป็นอัตตาสัญญาสังขรารวิญ ญ, ญาณโดยความเป็นอัตตาหรือว่าเห็นขันห้าขันใดขันหนึ่งโดยความเป็นอัตตานะครับไออัตตาแบบเดรัจฉีที่ว่าไปเนี่ยนะครับ คืออัตตาที่เขานึกว่าชีวะประมะปุริสะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะซึ่งอันที่จริงแล้วไม่มีนะครับนี้เป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิที่พิจารณานะครับและก็คือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ ง, งโดยความเป็นอัตตานั่นเองส่วนสมโุปัสสนาที่มาโดยบาลีมียที่ว่าอนิจโนนนจโตสมโุปัสติโนนิจจโต พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นของเที่ยงนี้ชื่อว่ายานะสมนุปัสนาเนี่ยนะก็คือศัพท์ว่าสมนุปัสนาในพระไตรปิฎกมีสองความหมายนะครับข้อความนี้ก็ยกมาจากปฏิสัมพิธาใช่ไหมครับในพระสูตรในพระสูตรนี้นะคือในมูหาสูตรนี้ท่านประสงค์เอายานะสมนุปัสนาอย่างเดียวทาไมจึงเอาญานะครับเพราะพระผู้มีพระภาคไม่มี มิถาทิฐิอีกแล้วเราันที่พิจารณาเห็นของพระผู้มีพระภาคนั้นเห็นด้วยปัญญาบทว่าสัมนุปัสสามิเชื่อมด้วยณอักษรดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพี่สู่ท้งหลายเราเมตตรวจตราดูธรรมะทั้งปวงด้วยสันตตจักสุคือหมายถึงจักสุรอบครอบอันได้แก่สัพพัญยุตยาน ดดมาขามป้อมในมือก็ยังไม่เห็นแม้นิวรออันหนึ่งอย่างอื่นนะครับอะไรที่มันจะกั้นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะใช้สมนตะจักสูนี่ยนะไครควนธรรมะในโลกธาตุทั้งสิน้นแม้ที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันเนี่ยนะพิจารณาหมดแล้วไออวิชชาเนี่ยตัวดีที่สุดเลยนะในการหุ้มห่อสัตว์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะประกาศศึกอันแรกก็ควรประกาศกับอวิชชาก่อนนะนะ บอว่าเยนะนิวรเนนะนิวตาปชาทีคารตังสันทาวันติสังสรันติแปลว่ามูสัตว์ถูกนิวรหุ้มห่อแล้วเล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานนะถูกหุ่มแล้วก็ไปนะมันเหมือนกับว่าเอาอะไรมาปิดตาแล้วก็ปล่อยให้เดินเนี่ยนะก็ไปเรื่อยก็แกไปเหอะอ่างั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถูกนิว์ครอบงำปกคลุมหุ้มห่อให้ มืดมัวไม่ให้เพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นเพื่อแทงตลอดสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ให้เข้าถึงสภาวะธรรมทั้งหลายแทงตลอดสภาวะธรรมทั้งหลายเพราะสภาวะธรรมนั้นถูกปกปิดนะนะไม่ให้แทงตลอดไม่ให้แ ท, ตทงแทตลอดสภาวะธรรมว่าไงครับไม่ให้แทงตลอดสภาวะธรรมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นต้นนะ่ะมันไม่ให้แทงตลอดแบบนั้นนะ่ะ แต่มันให้แทงเหมือนกันครับมันให้แทงโอ้งามหนอเป็นต้นนะนะมันก็จะให้แทงแบบนั้นนะครับไอ้ที่จริงมันไม่ให้เห็นไอ้ที่เห็นมันจําไม่มันไม่ใช่ของจริงนะครับย่อมเล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปในสงสารอันหาเบื้องต้นไม่ได้และในพบน้อยใหญ่ตลอดกับอันกําหนดไม่ได้นะครับไอ้กลับที่อย่างกล่าวเมื่อกลางวันใช่ไหมครับเห็นนะ อันนี้หนักกว่านั้นนี่กับนึงก็ไม่รู้ว่ากี่กับต่อกี่กลับนะครับอสงไขยแล้วอสงไขยเล่ากลับแล้ว ก, ลกับเล่าก็อยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะว่ามันไม่ได้บริสุทธิ์เพราะเวียนว่ายตายเกิดนี่นะครับตามแนวคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะ่ะไม่ได้บริสุทธิ์เพราะเวียนตายเวียนเกิดแต่ก็มีลทัทธิบางลทัทธิในสมัยพุทธกาลนะครับสอนว่าบรรลุเพราะเวียนตายเวียนเกิด อ, อาจารย์ผมคนหนึ่งสมัยที่ผมเป็นเนนนตอนนี้ท่านเสียไปแล้ว ท่านบอกว่าเอ้ยไม่ว่าพานมัณฑิตโง่หรือฉลาดเวียนตายเวียนเกิดอย่างไรเสียต้องบรนลุเหมือนกันหมดนะครับนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ท่านเสียไปแล้วลครับเนี่ยนะผมก็รับฟังไว้ผมก็ไม่รู้จะค้านยังไงแต่ผมไม่เห็นด้วยตั้งตั้ ง, ตงแต่เป็นนานละนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วก็มาอ่านในอ่า พรมนารธากัสสะชาดกแล้วก็เห็นชัดเลยว่าไม่ใช่แล้วก็อ่านในสา ม, มัญญผลสูตรอีกก็ไม่ใช่และโดยเฉพาะไปอ่านในมหาสีหนาสูตรนะครับในมัชฌิมานิกายก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยไอยความคิดอันนั้นเป็นลัทธิชนิดหนึ่งนะครับเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกชนิดหนึ่งนะครับที่งอกขึ้นในพระศาสนานะครับก็อาจจะคิดเองนะครับ เท่าที่ฟังฟังดูก็น่าจะคิดเองอ่ะนะกะใช้วิชากะเอานะครับเพราะแกไม่ใช่นักอ่านนักค้นคว้าอะไรเลยไม่แน่นะอาจจะได้ข้อมูลมานะครับจากจากอย่างเช่นอย่างเงี้ยอย่างอาจจะฟังชาดกไม่ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมอย่างเนี้ย อ, อ, อย่างอย่าง<ม>ตอนนี้เราก็มีเทปอยู่ชุดหนึ่งนะที่เป็นละครละครเข้าชาดกมาทําเป็นละค ร, ครเป็นไปได้ไมาเขาฟังเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ฟังตลอดลอดฟังอะ เขาก็เลยเคลิมตามไปว่าเอออันนี้พระพุทธศาสนาจริงและมั้งก็อาจเป็นได้ครับเป็นได้แต่ว่าโดยปกติแล้วเท่าที่ผมดูแล้วท่านไม่ใช่นักขวนขวายในการฟังการเรียนรู้อะไรสักอย่างก็วันวันหนึ่งก็จะชอบดีรัชานคาถานะครับเพราะว่าจะมีแขกมาหาทุกวันนะครับแขกเข้านี่ก็คุยนู่น่ะตั้งแต่หัวค่าบางทีก็ห้าหกทุ่มยังไม่กลับเลยเพราะว่าไปเรื่อยเปื่อยนะครับไม่ได้คุยกันเรื่องในวัดหรอกครับ เรื่องในมูบ้านน่นะบ้านซ้ายบ้านขวาบ้านเหนือบ้านใต้ น, น, ตนะครับครับในวัดก็โอ้โหม่ค่อยมีใครมาส่งเป็นโตเลยช่วงนี้นะน่าเห็นใจนะครับหยาดหยาดเราทั้งนั้นนะครับต่อไปนะเพราะฉะนั้นไอไอวิชาที่ปกปิดหุ่มหอเนี่ยให้ท่องเที่ยวไปในพบเนี่ยนะพบคำว่าพบเนี่ยนะครับเป็นชื่อของวิบากและกรรมชรูปเนี่ยนะครับ ทิ้งวิบากกรรมมาชโลภอันนี้ไปเกาะเอาวิบากกรรมชรูปอันใหม่ทิ้งอันใหม่เอาอันหนึ่งทิ้งอันหนึ่งเอาอันหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้ยไม่มีสิน้นมีสุดนะ น, นะการเล่นไปคือการก้าวไปในระหว่างอารมณ์นะครับจากอารมณ์หนึ่งสู่อารมณ์หนึ่งใช่ไหมจากสีแม้แต่สีก็จากสีเขียวไปหาสีเหลืองจากสีเหลืองไปหาสีดําจากสีดําไปหาสีแดงหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเนี่ยนะครับภาพที่วิจิตตะการตาต่อหน้าเราเนี่ยนะ เปลี่ยนอารมณ์แล้วอารมณ์เล่าอารมณ์แล้วอารมณ์เล่าเปลี่ยนเฉพาะสีอย่างเดียวแล้วสลับกับเสียงอีกเสียงสูงเสียงต่าเสียงทุ่มเสียงแหลมแล้วเสียงจากนายกนายขอนายงเสียงจากนกเสียงจากเดรขาฉาเสียงจากกิ่งรีดจากจันเรไรเนี่ยนะไม่โลกของเสียงก็สลับในโลกของเสียงอีกนะครับในโลกของกลิ่นอีกนะครับกลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมกลิ่นเหม็นกลิ่นยังไงก็ตามก็สลับในเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสอีกครับรสเปรี้ยวรสหวานรส เผ็ดรสเค็มไม่เค็มเป็นต้นเนี่ยนะครับก็หมุนเวียนในโลกของรสอีกครั้งนึงนะครับแล้วหมุนเวียนในโลกของการรับกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งนะครับไม่ว่าตั้งแต่หัวจรถ่าเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวโจรถ่าเนี่ยนะข้คิดไปเนี่ยนะครับรับกระทบของแต่ละอารมณ์แต่ละแต่ละแห่งแต่ละแห่งแต่ละแห่งที่มีกายภาษาธรรมโดยเฉพาะธรรมอารมณ์นะครับเรื่องราวทั้งโลกเลยนะครับ แม้แต่เรื่องที่อเมริกาคลินตันไปทําอะไรก็ยังรับรู้เลยนะครับซัดดำฮุตเซนไปทําอะไรเรื่องที่แเคเมเปนอียิปต์อิรักอิหร่านเนี่ยนะครับน้ำมันขึ้นเรียนดอลลาร์ของธนาคารโน่นธนาคารนี่โอ้รับรู้ไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจิตก็หมุนเวียนจากอารมณ์หนึ่งสู่อารมณ์หนึ่งจากอารมณ์หนึ่งสู่อารมณ์หนึ่งจากเรื่องคนนั้นสลับไปเรื่องคนนี้จากเรื่องคนนี้ก็สลับไปเรื่องนั้นนะครับอวิชชาเนี่ยปิดหมดกับทุกอารมณ์นั้นเลย ถามว่าอารมณ์ที่เราเอามาคิดนะั้เคยยังถึงไหมเออรูปรูปสมูทายรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทานเนี่ยเคยคิดไหมครับเอาคิดก่อนนะครับคิดยังไม่เคยนะครับจะกล่าวยายถึงตรัสรู้เหาืันกันเ<ม> <c oughs> สียงโอเสียงนะที่ได้ยินทุกคำเนี่ยเสียงเสียงสมูทายเสียงนิโรธเสียงนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าไม่เอามาคิดก่อดูจะห่างนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกัน กลิ่นกลิ่นสมูทไทยกลิ่นนิโรธกลิ่นนิโรธถ า, ามีทุกกลิ่นที่เราเคยรับรู้มาถ้าไม่แค่คิดยังไม่เคยเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงแรัสรุปเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยกันเพราะบางทีอาจจะเป็นปัจจัยให้ได้นําไปคิดมากนะครับอย่างเช่นะ ร, รูปรูปสมูทไทยรูปสมูทไทยเป็นยังไงครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะเห็นสีหน้าของคนสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับสีหน้าของเขาเนี่ยนะครับกรรมเป็นสมุทฐานใช่ไหม อาวิชาตันหาในอดีตที่มาให้สีหน้าแบบนี้ส่วนหนึ่งนะแล้วอาหารอีกส่วนหนึ่งทำให้สีหน้าแบบนี้อันนั้นเป็นสมูทายของสีอันนั้นนะความไม่เป็นไปแห่งสมูทายอันนั้นกับสีอันนี้เป็นนิพานนะครับข้อ ป, ปฏิบัติที่กําหนดรู้สีละสมูทายอันใหม่นะครับเพื่อไม่ให้สมูทายอันใหม่เกิดขึ้นเนี่ยนะทำพระนิพานให้แจ้งอันนั้นเป็นอริยมรรณนะครับ สีสีสมูทัยสีนิโรธสีนิโรธคามินีปฏิปทาที่มาแยกกัสีในผมสีที่เกิดในผมสีของผมสมูทัยสีของผมนิโรธสีของผมนิโรธคามินีปฏิปทาผมคือเกสานะสีของขนเนี่ยนะสีของนาขาสีของหนาขาสมูทัยสีของนาขานิโรธสีของนาขานิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะหรือเล็บนะโลมานะขนเนี่ยสีของนาขาเนี่ยของเล็บของผิวเป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมเป็นทุกข์สัตย์ ตันหาในอดีตนะตันหาวิชากรรมในอดีตเป็นเหตุให้สีอันนี้เกิดอาหารในปัจจุบันแต่ถ้าไม่เรียนรู้รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับอวิชาตันหาที่ยินดีในสิ่งเหล่านี้นะเป็นสมุทัยของสีอันใหม่ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นทิ้งขนอันนี้ก็ไปหาขนอันใหม่ทิ้งเล็บอันนี้ก็ไปหาเล็บอันใหม่ทิ้งหูอันนี้ก็ไปหาหูอันใหม่ก็อยู่อย่างนี้แหละครับสังสารวัตเนี่ยนะ ถ้าไม่ปาราทุกทุกขสมุทัยทุกอนิโรธและทุกขานิโรธคาามินีปฏิปทาอันนี้เป็นเป็นศิกษาเบื้องต้นใช้ๆนะครับเป็นสุตตามยะยานนะเป็นอยู่ในประเภทอภินญญายนิเทศควรรู้ยิ่งก่อนเป็นอันดับแรกของการศึกษาศาสนาเสียงเสียงสมุทัยผมก็อาจจะมาคิดว่าเออที่อาจารย์พูดเนี่ยมีอะไรเป็นสมุดฐานมี จิตที่เป็นสมุดฐานของการพูดอันเนี้ยคืออะไรสาวไปอย่างนี้เห็มไหมครับก็เป็นเสียงสมุทรไทยแล้วก็ถ้าเอาไกลด้วยนะครับว่าเสียงผมเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยไม่เหมือนใครสักคนเลยแต่อวิชาในอดีตตันหาในอดีตกรรมในอดีตเนี่ยเป็นเหตุให้มีเสียงคเดี๋ยวที่ทําให้เสียงไม่เหมือนใครสักคนหนึ่งเลยอวิชาตันหากรรมในอดีตนั่นเองแล้วก็อาหารในปัจจุบันเนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจิตเป็นสมุดฐาน อันนั้นคือสมุทัยของเสียงอันนี้ที่เปล่งออกมาแต่ละคําแต่ละคำความไม่เป็นไปของเสียงกับเสียงสมุทัยที่กล่าวไปนั่นคือนิโรธข้อปฏิบัติที่กําหนดรู้เสียงละกิเลส ท, ที่ยินดีในเสียงเป็นต้นที่ไม่รอบรู้ในเสียงเนี่ยนะครับละกิเลสไอ้ที่เป็นเหตุให้เกิดเสียงอันใหม่ในอนาคตเนี่ยน ะ, ะอันนั้นเป็นนิโรธน ะ, ะข้อปฏิบัติที่รู้แจ้งเห็นจริงพวกนั้นเป็นอริยมรรคหรือที่เรียกว่าปริญญาตัวปริญญาในการทําวิจจัย นะครับผลท่าหากว่าวิจัยบ่อยเขาเรียกว่ามีโยนิโสถ้าไม่วิจัยก็ไม่มีโยนิโสนะครับก็เป็นคนเกลียดคร้านไปก็ไม่ควรตรัสรู้อริยสัจจะทำนะครับเพราะวิชามันหุ้มห่มไปรู้อะไรนะครับก็คิดยังไม่เคยเอามาคิดจะ ก, กล่าวใหญ่ถึงการบรรลุเอางี้นะคือโดยทั่วๆไปนะเท่าที่เราฟังนะจะคุยเรื่องตรัสรู้เนี่ยบ่อยกันมากแต่ยังนึกไม่ออกบรรลุอะไร พอผมเนี่ยนะครับผมฟังทำสมัยก่อนผมจะนั่งฟังแล้วจะให้มันปิ๊งอ่ะนะครับมันไม่รู้ปิ๊งอะไรก็ยังไม่รู้เลยเขาว่าให้บรรลุนี่ยังไม่รู้จะบรรลุอะไรเลยนะครับมันนึกโอ้เราอาวิชชาขนาดนั้นเลยอยากบรรลุแต่ยังไม่รู้ว่าบรรลุอะไรเลยอยากปฏิบัติก็เอ๊ะจะปฏิบัติยังไงเอาถ้าได้ยินเสียงเนี่ยนะครับมันปฏิบัติยังไงเอาเพราะว่าจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติคือรู้แจ้งอริยสัจจะทำเอ๊ะมันจะมองเห็นอริยสัจได้ยังไงมือกาหนดเสียง กำหนดสีเนี่ยมันจะบรรลุอริยสัจได้ยังไงเนี่ยนะครับลืมตาเปรบเ ป, ปรปบรรลุอริยสัจอะไรเนี่ยชาติพิทุกขาชราพิทุกขาที่ไหนเนี่ยลืมตาเปรบเปบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องหมันเพ่งตรวจสอบ น, นะครับเป็นเรื่องของงานวิจัยจริงๆนะครับมับนถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยก็อ ว, วิชาเอาไปครอบงำ ม, มดนะครับ เพราะฉะนั้นพราสูตรทั้งหลายที่เรียนรู้เนี่ยครับต้องหมั่นสงเคราะห์ลงมาในชีวิตให้ได้ว่าคำสอนเหล่านี้พูดถึงชีวิตที่เป็นไปเนี่ยนะแล้วเราทำไมไม่ค่อยได้ยินเรื่องอย่างนี้เลยอ่ะกไ็ไม่ไม่ไม่ไม่เรียนนะครับเหรอครับมันต้องจากคำพียอย่างเดียวรออาจารย์ป้อนคงจะไม่มีเนาะก็ทำบุญมาพอหรือเปล่าครับถ้ามีบุญพอก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ เขาคงยัดเยียดให้แหละถ้ามีบุญพอก็พ่อคงจ้างไปฟังธรรมนะครับถ้าทำบุญมาพอนะแต่นี้ก็ดูว่าแล้วว่าผมเนี่ยนะครับไม่พอไม่ได้ดทาบุญมาขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นต้องขวนขวายเอาแล้วกันนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่า อ, อ, อาวิชชาเนี่ยนะครับทำให้เล่นจากพบ ไปในระหว่างพบใช่ไหมครับจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งจากมนุษย์ไปเทวดาจากเทวดาไปนรกจากนรกมาเดราชาญจากเดราชาญไปนรกจากนรกมาเปรตจากเปรตไปนรกเนี่ยวนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนี้แหละครับหรือการเล่นไปด้วยกิเลสมีกำลังแรงการเล่นไปด้วยกิเลสมีกำลังอ่อนนะครับโลภะแรงบ้างน้อยบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างไอ้ค่ละเอียดคือมันเกิดไม่มีกาลังมากะนะ กิเลสโลภะมีกําลังบ้างโลภะสลับกับโทสะโทสะสลับกับโมหะโมหะสลับกับอิจฉาอิจฉาสลับกับมัจฉริยะกับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนี่แหละครับหรือว่าแล่นไปจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งคือคณิกะมรณะอย่างหนึ่งก็แล่นไปในหลายชาติคือตายตามคําพูดที่เรียกว่าสมมุติมรณะนะครับคือตายจากเรียกว่านายกอตายไปเรียกเกิดใหม่เรียกนายขอตายจากนายขอไปเกิดเป็นนายงองนายกอก็ไปเรื่อยนะครับอย่างเงี้ย หรือการเล่นไปด้วยจิตจากจิต ด, <an> ดวงหนึ่งสู่จิตอีกดวงหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างที่ท่านกล่าวว่าจิตของเขาย่อมเล่นไปการท่องเที่ยวไปด้วยกรรมนะครับเพิ่งทราบความต่างกันของการเล่นไปและการท่องเที่ยวไปด้วยประการชนนี <Sand> ้หมายถึง <applies> ว <batteries> ่า so ส kind of like ัตว์ที่ถูกอวิชาหุ่มห่อนี่มันก็ไปอย่างเงี้ละครับถามมันไปยังไงครับอวิชาหุ่มห่อแล้วไปไงครับไปอย่างนี้นะครับคือตอนเราเลิกเรียนเสร็จก็ไปนอน นอนเสร็จก็ตื่นตื่นเสร็จก็มาสวดมนมต์ทำวัดบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จก็มาฉันฉันเสร็จก็มาเรียนเลียนนี่อวิชามันพาไปอย่างนี้นะครับทําไมผมจึงพูดอย่างนั้นเอาตอน ท, ที่ว่านะท่านมองเห็นอริยสัจหรือยังครับถ้ายังก็นั่นแหละครับอวิชาหุ้มห่อแบบนี้นะครับนะถ้าเป็นคารวะก็หุ้มห่อแบบคารวะตัง้งแต่เช้าจรดนอนนั่นแหละครับมันห่อไปแบบนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองเห็นใครสักคนเนี่ยนะมองเหมือนกับกระเปาะไข่มันหุ้มอยู่นะ จะสังเวทใจขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะบอกว่าโลกอันวิชชาห่มห่อไว้เขาลืมตามองเห็นอวิชชาก็ห่อทางตาเขาไว้แล้ว้าหูได้ยินเสียงอวิชชาห่อทางหูอีกจมูกเฮใจเข้าได้กลิ่นก็ห่อจมูกอกีกลิ้นรับรสก็หอ่อลิ้นไว้เอกนะครับกายรับประทบทางหัวโจร้าก็ห่อไว้เอกความคิดทุกๆความคิดก็ถูกอวิชชาเนี่ยห่มห่ อ, หอไว้หมดเลย จะเป็นแบบทางตรงก็มีทางอ้อมก็มีหรือเปล่าอย่างเช่นบางครั้งเราไปด้วยอยากจะได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปด้วยความโมโหเป็นมูลอยู่ดีแต่เป็นอ้อมใช่ไหมครับโมหะเกิดร่วมกับโลภะก็มีเป็นอ้อมใช่ไหมครับโมหะเกิดร่วมกับกุศลจิตทุกดวงเว้นไว้แต่ขณะที่กุศลเกิดเท่านั้นที่โมหะไม่มีนะครับหรือขณะที่พวังขณะนั้นเนี่ยถ้าปกตินะถ้าชาวนะที่เป็นอกุศลโมหะเกิดร่วมกับอกุศลจิตทุกดวง ผมผมนึกว่าสมมติว่าเราไปแบบหลงลืมสติมันจะว่าโลบ ก, ก็นไหมลบนี่ไปด้วยความโกรธอะไรเล ย, เลยไปด้วยโมหะตรงๆนี่นะอันนั้นผมก็นึกว่าแบบทางตรงแต่ว่ า, าไปาแบบถ้าหากว่าเอเราอยากได้อะไรอย่างหนึนนงนนแล้วเราปวดผัดไปอย่างงี้เนี่ยนะก็โมหะอีกก็ก็โมหะก็ผม <Munich S 1> ผมก็นึกว่ามั น, นแบบแบบอ้อมอย่างงี้ไ ม, ออไม่ใช่ครับตรงๆเหมือนกันเป็นเหตุปัจจัยด้วยเหมือนกัน เกิดพร้อมกันกับโทสะด้วย อ, อ๋อไม่มีตรงไม่มีอ้อมไม่มีตรงไม่มีอ้อมคือถ้าอ้อมหน่อยก็คือตอนที่กุศลจิตเกิดขนาดนั้นอวิชชาอ้อมไม่หน่อย <c oughs> นะครับตอนที่กุศลจิตเกิดหรือขณะที่ภวังขจิตเกิดเนีน่ยนะแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วก็อวิชารุ่นล้วนที่ห่อปิดไว้นะถึงจะสลับโลผ้โทสะโมหะเนี่ยยกตัวอย่างนะถ้า ดูภาพยภาพยนบางภาพพยนบางเรื่องนะส่งจิตไปตามเรื่องนั้นนะถือโดยอนิมิตอนุพยัญชนะรายละเอียดของเรื่องนะรู้ไปหมดเลยนะครับนั่นอวิชชาหอตลอดทั้งสายเลยนะครับก็เอางี้นะพระเอกพระเอกสมุไทยพระเอกนิโรธ ม, มีที่ไหนนะครับไม่มีสักคําไปปนแทรกเลยนะั่นเลยนะอย่างมากก็โอ้โหมีบุญนะกรรมน ะ, อะเออจากถ้อยคําที่สะสมมานะครับเที่ยงแต่ความเคยชินทางวจีเท่านั้นเองแต่ถ้ากรรมมศกตามีจริงๆ คนเหล่านี้นะอายุก็ไม่ถึงร้อปีอะไรนี่ผลของบุญมาประมาทอย่างนี้ อ, อ, อีกเหรอเป็นต้นเนี่ยนะนี้ก็ไม่ค่อยมีถ้าไม่มีก็เขาล่ะครับอวิชาแล้วไฟตัวนี้เนี่ยมันร้ายแรงด้วยนะครับปกปิดแล้วสัตว์ก็ไม่รู้ตัวด้วยนะครับแล้วต้องมาอาวิชาอาวิชาสมุทัยด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยก็ต้องด้วยนะครับต้องรู้ด้วยเพราะว่าอาวิชาอาสวะเป็นสมุทัยของอวิชานะความไม่เป็นไปของอวิชาและอวิชา ่ของอวิชชาและอวิชชาสมุทัยชื่อว่าอวิชชานิโรธนะครับข้อปฏิบัติที่กําหนดรู้อวิชชาและละอวิชชาสมุทัยนั่นแหละข้อปฏิบัติธรรมที่ทํานิโรธให้แจ้งนั่นในอริยมรรคนะครับก็อวิชชาก็ยังลงอริยสัจทั้งกันนะครับก็ต้องวิจัยหมดนะครับอวิชชาอวิชชาสมุทัยอวิชชาในฐานะเป็นทุกขสัจอาสวะเป็นสมุทัยของอวิชชานะครับนั่นะก็วิจัยหมดนะครับไม่มีอะไรที่ไม่พิจารณา ต้องตื่นขนาดนั้นอ่ะเพราะเป็นผ้าทหารแล้วก็สติเวปุลังสปัญญาเวปุลังนะครับไม่มีขณะไหนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะอ๋ออันนี้แหละคือชาคริยานุโยคถ้าพิจารณาแบบนี้ก็นี่แหละลักษณะของชาคริยานุโยคตื่นตัวแล้วนะครับคือคื อ, คอไอเดินนี่อาจจะเดินทั้งวันนะครับแต่เดินใจลอยอ่ะนั่งอาจจะนั่งทั้งวันเนีย่ยนั่งเดรัชานกระถางไง เรอย่างนั้นไม่ชื่อว่าชาคริยานุโยคชาคริยานุโยกคือตื่นตัวเป็นไปกับคําสอนได้อย่างต่อนเนื่องนะครับเป็นไปอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมอะ่ะเรียกว่าชาคริยานุโยกนั่นนะเพราะว่าขณะที่โมหะเกิดก็อวิชชา อ, อีกนั่นแหละอวิชชานิวรณ์ก็กลุ่มรุมแล้วแต่อวิชชานิวรณ์เนี่ยตัวที่อันตรายที่สุดถามว่าแก่ยังไงครับโมหะจริตนี่แก้ด้วยอะไรครับเรียนมากฟังมากอ่านมากสแสดงมากเอาอะไรข้อมากเข้าไว้นะครับนั่นคือพวกโมหะจริต นะครับสอบถามมากเรียนมากฟังมากนะครับวิธีแก้โมหะเจริญนะเอามากเข้าไว้ไม่ผิดหรอกครับบทว่าอาวิชานิวรณังนี้เพึงทราบความดังต่อไปนี้นะวิเคราะห์อวิชานะมาดูว่ามันเจ็บแสบขนาดไหนอวิชานี่ว่ากายะทุจเรตเป็นต้นเชื่อว่าไม่ควรรู้โดยอัฏฐาว่าไม่ควรบําเพ็ญอธิบายว่าไม่ควรได้เห็นนะความชั่วทางกายควรได้ไหมครับ ฆ่าสัตว์ควรได้ไหมไม่ควรรักทรัพย์ไม่ควรประพฤติผิดในกรรมก็ไม่ควรพูดเท็จคำยาเพ้อเจ้อส่อเสียดก็ไม่ควรได้โลภะก็ไม่ควรได้โทษะก็ไม่ควรได้มิจฉาทิฏฐิก็ไม่ควรได้ชื่อว่าอวิชชาเพราะไปรู้หรือไปได้สิ่งที่ไม่ควรได้อันนั้นแหละอวิชามันทําให้ได้ไอ้สิ่งที่ไม่ควรได้ที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะเครียกว่าไม่น่าพลาดเลยต้องพลาดเนี่ยอวิชามันทําให้พลาดครับเหมือนั้นนะ โดยตรงกันข้ามสุจริตเป็นต้นชื่อว่าสิ่งที่ควรรู้นะครับสุจริตก็คือสุกายะสุจริตวจีสุจริตมนุสุจริตเนี่ยนะครับหรือทานศีลภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวน า, า, วน า, า, วนามรคนิพานไปต้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ควรได้ควรรู้มากเชื่ อ, อวิชาก็ปอกปิดไม่ให้ได้ไม่ให้รู้ในสิ่งเหล่านั้นนี่ลักษณะของเขานะครับแปลว่ามันให้ทําชั่วแล้วมันกั้นไม่ให้ทําดีนั่นคืองานของเขาจริงๆภารกิจของอวิชาเกา อวิชามีอาสวะเป็นปัจจัยและอาสวะมีอะไรเป็นปัจจัยครับมีอวิชานั่นแหละเป็นปัจจัยหนุนกันแล้กันครับก็เป็นไปเป็นกันไปเป็นกันมาหรืออนิวรนนะครับเป็นอาหารของอวิชานะครับอวิชาเป็นอาหารของภาวะตันหายะนิวอนก็มีพวกทุจริตนั่นแหละเป็นอาหารทุจริตก็มีไม่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยเป็นอาหารนะครับ อเอกสารในอวิชชาสูตรตันหาสูตรในสูตรนั้นนะครับครับนี่ต่อไปว่าคือสรุปนะว่าอาวิชามันทำให้ไม่ได้ดีอย่างนั้นเถอะมันทำให้ได้ชั่วนะภาร ก, กิจของเขาเนี่ยนะอัฏฐะของเขานะครับท่านกล่าวว่าเอ่อชื่อว่ า, อาวิชาเพราะอัถฐะว่าไม่ให้รู้เนื้อความความเป็นกองของขันทั้งหลายขันเนี่ยเป็นกองใช่ไหมครับ คำว่ากองนี่หมายคำว่าไงกองแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับแล้วรูปประคันก็ยังกองโดยความเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประเี๊ใกล้ไกลเป็นต้นเนี่ยนะแม้แต่เวทนาก็เป็นกองอีกกองทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประเี๊ใกล้ไกลเนี่ยสัญญาสังขารวิญญาณก็ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประเี๊ยดใกล้ไกลเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นกองนะครับ แล้วกองทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะนักกลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระควรรู้ไหมครับ<ด>อวิชชาไม่ให้รู้หรอกครับนะครับวิชาปิดไว้หมดเลยอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะผมตอนว่านี่ตอนนึกถึงคําสอนอ่ะตาถ้าไม่นึกถึงคําสอนเหล่านี้ก็ไม่ได้ว่าอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้านึกถึงคําสอนบ่อยๆก็พอจะตอบมีเครื่องไม้เครื่องมือเล่นงานอาวิชชาได้บ้างครับทิ้งคําสอนเมื่อไหรนะ่นั่แย่นะครับเพราะฉะนั้นสารณะนะทิ้งไม่ได้จริงๆ ทำมังสรนังคาฉามิศึกษาเรียนรู้ว่าตามศึกษาตามปฏิบัติตามมีวิธีเดียวจริงๆที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้นะครับปริยัติศาสนานี่จะช่วยรักษาเอาไว้ถ้าทรงจําพระปริยัติธรรมคําสอนเอามาเพ่งตามเท่านั้นนะครับเมื่อมีพระธรรมเรียกว่าภาพรปริยัติธรรมเป็นต้นเป็นสาระนั่นแหะครับจึงจะพอจะต่อสู้กับอวิชชาได้บ้างนะพอที่จะรู้ียว่ารู้หน้ารู้หลังค่าศึกได้บ้างนะครับ แต่ถ้าหากว่าไม่นึกถึงคำสอนเลยนะเราไม่รู้นะครับว่าใครศึกในศึกนอก OSSTALK ไม่รู้สักอย่างเลยนะครับนี่ต่อไปนะว่าอวิชชาเนี่ยนะครับมันทำให้ไม่รู้เนื้อความว่าอายตนะนี่มันต่อ น, นะเป็นเครื่องต่อ น, นะเช่นตากับสีมันต่อให้วิถีจิตเกิด น, นะครับหัวกับเสียงมันต่อให้วิถีจิตเกิดจมูกกับกลิ่นมันต่อให้วิถีจิตเกิดลิ้นกับรสต่อให้วิถีจิตเกิดกายกับโพธะะพะะะะะะะะะิะะะิะ มณนะคือผวังขจิตกับเรื่องราวต่า ง, างๆธรรมารมณ์ต่างๆเนี่ยต่อให้มโนโวิญญาณเกิดอั้นไอตาสีแล้วก็วิถีจิตทั้งหลายนี่แหะครับเรียกว่าอายตนะเนี่ยนะครับวิถีจิตเนี่ยนะมนายตนกะการทำมายตนกะก็ต่อยตนะตไปเอกสืบเนื่องไปลักษณะเนี่ยนะจากเห็นไปได้ยินจากได้ยินไปเห็นเนี่ยสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปจากวันหนึ่งสู่วันหนึ่งจากปีหนึ่งสูงป่ปีจาก หลายๆสิบปีแล้วก็หลักจากพบสู่พบจากชาติสู่ชาติมันก็ต่อสืบเนื่องไปลักษณะเนี่ยเรียกว่าอายตนะเนี่ยนะไอเครื่องต่อที่มันชั่วช้าเลวซามซึ่งมีอวิชชาตันหาเนี่ยนะมันเกาะมันเกี่ยวเอาไว้เนี่ยนะให้สิ่งเราเนี่ยต่อกันไปได้น่ารู้มากครับอวิชชาไม่ให้รู้หรอครับเนี่ยนะถ้าไม่อาศัยปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางจริงๆเลยที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้นะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนาถเมศระนังอันอย่างเนี่ยถูกต้องแล้วครับ ทีนี้ต่อไปว่าความจริงของสัจจะทั้งหลายว่าสัจจะนี่เป็นของจริงแท้นะทุกเนี่ยจริงแท้ทุกขสมุทัยก็จริงแท้ทุกขเนรโรดก็จริงแท้อริยมรก็จริงแท้เนื้อความนี่น่ารู้มากครับแต่อวิชาไม่ให้รู้หรอกครับเนี่ยนะอย่าว่ารู้เลยฟังยังไม่ได้ฟังเลยอย่าว่ารู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอวิชา ม, มันปิดไม่หมดอะครับไม่ให้มีบุญพอที่จะได้รู้ได้ยินได้ฟัง ไอ้บุญที่ไม่ทำก็เพราะอาวิชามันกั้นเอาไว้นั่นแหละครับไอ้ทำบาปหนักหนาสาหัสก็เพราะอาวิชานั่นแหละเปิดช่องให้นะฮะเพราะนั้นไอ้ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของสังสารวัตรตามแนวคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวอาวิชาครับอวิชาเป็นข้าศึกแรกเลยเพรฉะนั้นแรกแตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยพระองค์จึงแต่งใช่ไหมอวิชาปัจยาสังขาราสังขาระกัจยาวิญญาณังเนี่ยนะครับเนี่ยขับเน้นมากเลยนะแรกแตรัสรู้และพระพุทธเจ้าบรรลุธรรม เจริญวิปัสนาภูมิประเภทปฏิจจสมุปาทนะครับแต่นะอวิชชาเนี่ยมันเป็นศีสะเป็นหัวรถจักรที่สําคัญมากหัววัตตจักรว่างั้นเถอะแล้วต่อไปนะว่าไอ้ธาตุเนี่ยนะครับแต่ละอย่างก็เป็นของศูนย์นะครับเช่นจักรุธาตุเนี่ยศูนย์คำว่าศูนย์ยะเนี่ยแปลว่าว่าง นะครับสีก็เป็นของศูนย์คือมันว่างนะว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากหญิงจากชายจากเราจากเขาว่างจากความเที่ยงความสุขความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยนะมันว่างหมดเลยแต่มันมีจริงแต่มันว่างอ่ะเหมือนบ้านเนี่ยบ้านมีไหมมีแต่ไม่มีใครอยู่เรียกว่าบ้านว่างนะครับหม้อที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเรียกว่าหม้อเปล่าหรือหม้อว่างนะคาว่าศูนย์หรือว่างก็อันเดียวกันนะครับ จักขู่เป็นของศูนย์รูปเป็นของศูนย์จักขู่วิญญาณเป็นของศูนย์จักขู่สัมผัสเป็นของศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกข์มสุขเวทนาที่มีจักขู่สัมผัสเป็นปจัจจัยมันก็ศูนย์นะครับแล้วในทวารทั้ง6เหล่านี้นี่นะครับน่ารู้มากครับอวิชาไม่ให้เรารู้หรอกครับนะต่อไปนะว่าทุกเนี่ยมีความบีบคั้นเป็นต้นนะครับทุกเนี่ยปีระนัโถสันตาปนโถ ว, วิปริณามโถนะครับสังฆตาโถ อัดทั้งหลายของทุกข์สัตย์เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยควรรู้มากครับนะแต่อวิชาไม่ให้รู้หรอกครับนะะอัดของสมุทัทยก็น่ารู้อวิชามไม่ให้รู้อัดของนิโรธอัดของนิมกเนี่ยก็ควรรู้มากแต่อวิชาไม่ให้รู้หรอกครับให้อยู่ไปนานๆอวิชามันทําบทบาทแค่ไหนครับแม้แต่ได้ฟังนะอวิชาบอกไม่เอาละอยากเกินไป นะอาวิชามันกระซิบเข้ามานะบอกว่าอยากเกินไปยาเลย <c oughs> um, จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอาวิชาก็เป็นเหตุปัจจัยให้วิจิกิจชาให้อุทจจะเป็นต้นเนี่ยนะครับเล่นงานต่อไปได้นะครับอาวิชานี่จึงเป็นมูลรากเป็นรากที่เลวมากนะครับต่อไปนะครับว่าหรือชื่อว่าอาวิชาเพราะอัถาว่ายังเหล่าสัตว์ให้เล่นไปในสงสารอันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ ไอท้ที่ที่มาในอดีตเนี่ยนะครับสังสารวัตคือขันธะอริยตนะที่ต่อเนื่องกันมาแบบเนี้นะถอยไปในอดีตก็ไม่มีที่สุดแล้วถ้าไม่ตรัสรู้อริยศาสตร์อีกก็จะไปในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดอีกนะครับขันธ์าตุเนี่ยนะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอย่างนี้ไม่มีที่สุดนะครับเนี่ยกิจของเขาละเขาทํำภาระอันนี้ต่อไปนะครับหรือชื่อว่าอาวิชชาเนี่ยนะครับหรือว่าโดยประมาทีเนี่ยอวิชชาเพราะอัรรมว่าให้เล่น ให้เล่นไปคือย่อมให้เป็นไปในอวิชามานะบัญญัติมีสตรีและบุรุษเป็นต้นนะครับให้เล่นไปในหญิงในชายในเรื่องราวการเมืองการเศรษฐกิจการทำมาหาเกณฑ์เรื่องครอบเรื่องครัวเรื่องหลูกเรื่องร้านมันก็พาไปเรื่อยในเรื่องราวเหล่านี้นะ ย่อมไม่เล่นไปคือไม่เป็นไปในวิชามานะบัญญัติทั้งหลายมีขันเป็นต้นไม่ให้เล่นไปว่าเ อ, อ้ไที่นึกทั้งหมดนี่เป็นขันนะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเออแล้วขันเหล่านั้นต่างประเภทโดยอดีตอนาคตนะสิ่งเหล่านั้นคืออายตนะสิ่งเหล่านั้นคือธาตุสิ่งเหล่านั้นคืออินทรีย์สยัจจะปฏิจจสมุป บ, บาทนะอวิชชามไม่ให้เล่นไปหรอกครับมันให้เล่นไปแบบเรื่องราวแบบโลกโลกไม่ให้เรื่องเล่นไปในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ที่จริงนะเพอร์เจอร์เนี่ยโหเราพูดคล่องเลยนะแต่คําพูดพระพุทธเจ้าเอามาพูดต ะ, ตะกุกตะกักยังไงก็ไม่รู้นะครับมันมันขัดไปหมดเลยนะทีเพอร์เจอร์นะครับหรือว่านักร้องบางคนเนี่ยว่าเขาว่าครั้งเดียเนี่ยแทบว่าตามได้หมดแล้วนะครับบางอย่างเนี่ยจำมาได้ตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละมันแม่นขนาดนั้นนะแต่คำสอนมันไม่แม่นขนาดนั้นเลยนะครับอวิชานี่มันเสียมมันสอนมันปกมันปิดเอาไว้หมดนะครับ มันเป็นตัวกั้นที่ร้ายกาจมากนะพระองยังยังในสูตรนี้บอกเลยไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้อีกแล้วในบรรดาเครื่องกั้นทั้งหลายนะครับอวิชชาเนี่ยเป็นเอกเหมือนกันเยเป็นหนึ่งเลยหรืออีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอาวิชชาเพราะปกปิดวัตถุและอารมณ์มีจากขูวิญญาณเป็นต้นและธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปปนธรรมเนี่ยนะครับคืออวิชชาเนี่ยปกปิดตาปกปิดสี ไอ้ตากับสีมันเป็นปัจจัยให้เกิดจากขูวิญญาณกรรมในอดีตเป็นปัจจัยนี่นะครับแล้วก็ตาก็ไม่เที่ยงสีก็ไม่เที่ยงจิตเห็นก็ไม่เที่ยงกรรมในอดีตเป็นปัจจัยเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความเที่ยงเลยเพราะมันสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน้ากลัวเป็นอนัตตาก็ไม่มีสาระนี่นะครับมันเป็นเหมือนโรคเหมือนสีเป็นเหมือนลูกศรเป็นต้นเนี่ยนะอวิชชาปกปิดไว้หมดครับไอ้อย่างที่ว่าไปเนี่นะครับ เรียกว่าแนวคําสอนของอวิชของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอวิชชาปกปิดไว้หมดแล้วสัตว์ทั้งหลายที่ถูกอวิชชาครอบงาก็จะไม่ส่งเสริมในวิชาเหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะส่งเสริมสายอาวิชชาโดยส่วนใหญ่นะครับอานะเอางี้นะถ้าไปเรียนทำเรียนวิชาแบบโลกโลกนะคนส่งเสริมเยอะนะครับแต่ถ้ามาเรียนแบบทางธรรมเนี่ยนะแน่ใจนะว่ามีคนอุปถักนะครับหายากเหมือนกันนะท่านในแนวเนี้ยนะครับ ถ้าเอาเหตุผลบอกว่าจะไปฟังธรรมคนเนี่ยเอาไว้ก่อนนะธุระอันนี้มันเรียบด่วนกว่านะครับไอธุระบางอย่างเนี่ยนะซึ่งมันธุระโลภะบ้างธุระโทสะบ้างธุระของโมหะบ้างเนี่ย อ, อันนั้นสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวิชานั้นเขามีการส่งเสริมเปิดเรียนเปิดสอนนะครับแม้แต่พระคุณเจ้าของเราก็ไปยังไปเปิดไปเรียนไปสอนอวิชชาเหล่านั้นนั่นนะครับเรื่องนี้จริงเขา ผมไปอยู่จังหวัดนนทบรุรีนานๆเนี่ยผมกลับมามีแต่คนถามเพราะว่าไปเรียนที่ไหนมาบ้างมหาจุฬาเรียนหรือเปล่ามหาเมากุฏเรียนหรือเปล่านะครับเพราะเราตอบว่าไม่ได้เรียนเนี่ยเขาบอกเอาแล้วไปอยู่ทําอะไรอะไรทำอย่างเงี้ยครับเฮ้ยตอบไม่ได้แล้วเราไม่รู้จะบอกเขาว่ายัางไงว่าเราไปเรียนอภิธรรมเราไปเรียนทางบรรยายตามปฏิบอดแล้วไปตอบยังไงเขาเลยไปเขาก็ฟังหูไม่กระดิกเลยครับครับก็นี่แหละครับเพราะเขาส่งเสริมอย่างนั้นนะครับ ก็ยังว่านะครับผู้ที่มีวิชาครอบความก็จะส่งเสริมให้มีวิชาด้วยกันนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีวิชาก็จะส่งเสริมสาวกของพระองค์ให้มีวิชาทีนี้เราเอาใครเป็นมิตรล่ะครับเราซ่องเสพใครมากที่สุดใครเป็นสารณะของเราเราถือว่าอะไรมีสาระที่สุดนะครับนั่นนะคือถึงว่าถืออะไรมีสาระนะสิ่งที่เสมอกันหมดคือแก่ธรรมดาเจ็บธรรมดาตายเป็นธรรมดาอาวิชาเนี่ยนะครับ ถ้าไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หน้าเนี่ยนะครับจะช่วยเราเราได้แต่วิชาที่ศึกษาจากพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ถ้าไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใหม่พอจะมีวิชาเกิดต่อไปได้บ้างนะครับหรือไม่ก็ไม่ลึกนักนะกนะ็บอกว่าถ้าเรียนธรรมะอย่างน้อยก็าตายแล้วไม่ตกนรกเหมงอนกันเถอะถึงตกนรกก็ขุมไม่ลึกนักถึงขุมลึกก็ไม่อยู่นานถึงอยู่นานก็ไม่ทุกข์หรือวะนั้นก็ไปเรื่อยนะครับแต่ที่จริงแล้วพระไม่มีหรอกครับ ธรรมะที่จะพาให้ตกนรกรำโมฮาเวรคติธรรมจารีนะครับทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วอยู่แล้วขอให้มีธรรมเป็นเกาะให้มีธรรมเป็นที่เพึ่งให้มีธรรมเป็นสารณะจริงๆนะครับธรรมนั่นแหละจะปกปักรักษาเราทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีก็เพื่อจะช่วยเราเนี่ยแหละครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่คิดจะตอบแทนพระองค์ด้วยการปฏิบัติตามนี่ก็ พอองค์จะมาทำอะไรเราได้ก็คือแสดงว่าพ อ, องค์นี้เจริญพิจารณาเจริญการุณาให้เราแล้วนะครับถ้าเราไม่ไม่มันไม่เพียนไม่พอกพูนพยายามเนี่ยนะครับต่อไปว่า บทว่าอาวิชานิวรณ์นะหิพิขเวนิวุตาประชาทีคารตังสันทาวันติสังสารตินี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเพื่อทําความในก่อนให้หนักแน่นนะครับคือคื อ, คอขับเน้นว่าอาวิชานี่นะเป็นธรรมะอย่างเองกจริงจริอ่ะนะที่ที่ทําให้สัตว์เนี่ยไปสู่ในอบายทุกขติวินิบาตเนี่ยนะหรือบทว่ายะทายิทังพิขเวอวิชานิวรณังแปลว่าเหมือนนิวรนคืออวิชานี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเพื่อให้แสดงข้ออุปมาอย่างนี้ในบทนี้ตรัสเพื่อแสดงอนุภาพของนิวรณ์ถามว่าเพราะเหไรในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอวิชชาเท่านั้นไม่ตรัสถึงธรรมะเหล่าอื่นด้วยนะยกแต่อวิชชาอย่างเดียวอะ่ะอกุศลอย่างอื่นทําไมไม่พูดถึงล่ะตอบว่าเพราะอาวิชชาเป็นวิเศษสปัจจัยแห่งการ ม, มฉันธาเป็นต้นด้วยการปกปิดโทษนะ อวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยที่พิเศษจริงๆปกปิดโทษของกามมันทะเป็นต้น น, นั่นแหละจริงดังนั้นกามมันทะเป็นต้นย่อมเป็นไปในอาการของโทษที่ถูกอวิชชานั้นปิดไว้แล้วเช่นอวิชชาเนี่ยนะปกปิดอริยสัจในสีตันหาก็ชอบสีอันนั้นเหอวิชชาปกปิดอริยสัจในเสียงตันหาก็ชอบในเสียงอวิชชาปกปิดอริยสัจในกลิ่น ตันหาก็ฉาบไว้ในกลิน่นนะอวิชาปกปิดอริยสัตว์ในทางลิ้นทางรสเนี่ยนะตันหาก็โปรดปรานในสิ่งนั้นนะครับอวิชาปกปิดกายตันหาก็ชอบกายอาวิชาปกปิดใจตันหาก็ชอบใจนะชอบในในใจเนี่ยนะก็ลักษณะเนี่ยเขาทํางานสัมพันธ์กันมากครับ <laughs> <laughs> เขาเป็นเฮตุปัจจัยเหมือนกันนะครับ พระผู้มีพระภาคจเจ้าตรัสคาถามีาที่ว่านัทธันโยดังนี้ด้วยรวบรวมความที่ตรัสแล้วและที่ยังไม่ได้ตรัสในบทเหล่านั้นบทว่านิวุตาได้แก่ปกคลุมนะนะมันปกด้วยมันคลุมด้วยนะหุ้มห่อแล้วก็ปิดบังเอาไว้บทว่าอะโหรตังแปลว่าทั้งกลางวันทั้งกลางคืน คือปิดเนี่ยมันไม่ได้ปิดเฉพาะตอนเช้านะครับปิดทั้งตั้งแต่เช้าจรดนอนอีกนะครับตื่นมาปิดต่ออีกนะครับแม้แต่หลับมันยังปิดอีกนะครับอธิบายว่าปิดตลอดเวลาบทว่ายะถาโมเหนะอาวุตาความว่าโดยประการที่มูสัตว์ถูกโมหะคืออวิชานิวรห้มหอปกปิดไว้ไม่รู้แม้ธรรมะที่ควรรู้ด้วยดีนะครับ หมายความว่าไม่รู้ไม่ไม่ได้รู้ทำหม้าที่ควรรู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ทำหน้า ท, ที่ควรกําหนดรู้ไม่ละทำหน้าท <does S 2> ี่ควรละไม่ทําให้แจ้งทำหน้าที่ควรทําให้แจ้งไม่เจริญทำหม้าที่ควรทําให้เจริญไม่มีอะไรสักอย่างว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นชีวิตก็ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเนี่ยนะครับถามว่าท่องเที่ยวไปไงครับก็ท่องเที่ยวไปรอเช้าจอดเย็นรอเย็นถึงเช้าตรอเช้าถึงเย็นเนี่ยนะครับป้ายอยู่อย่างไงล่ะครับ พืงประกอบเนื้อความว่าธรรมะอย่างหนึ่งอื่นพึงเห็นปานนั้นก็ดีนะครับนิวรอย่างหนึ่งก็ดีย่อมไม่มีไอที่มันจะหนักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะครับที่เสมอด้วยวิชาเนี่ยนะบทว่าเยจะโมหังปะหันตะวานะตะโมกขันทังปดาละยงแปลว่าพระอริยสาวกเหล่าใดละโมหะแล้วทําลายกองแห่งความมืดได้แล้วความว่าก็พระอริยสาวกเหล่าใด ละโมหะอันมักนั้นนั้นผึ่งฆ่าด้วยมักเบื้องต่ําด้วยตะทางฆ่าประหารเป็นต้นในส่วนเบื้องต้นแล้วทําลายกองแห่งความมืดอันได้แก่โมหะนั่นเองด้วยยานเปรียบด้วยเพชรอันเป็นยานชั้นเลิศและตัดขาดโดยไม่ให้มีส่วนเหลือต้องระดับไหนครับอรหัตมักนะครับจึงจะละสเด็จขาดนะอวิชชาเนี่ยนะ แต่ที่จริงก็เริ่มละตั้งแต่ได้ยินได้ฟังแล้วนะครับเพราะพุทธะมีสประเภทใช่ไหมครับสัมมาสัมพุทธปะปัจเจกพุทธะสาวกพุทธะและก็สุตตพุทธะเราก็พอรู้ตั้งแต่อาศัยพระธรรมคําสอนนี่นะครับเป็นประทีบส่องให้รู้ mm hmm. บทว่าณนเะตปุณนะสังสารติความว่าพระอริยสาวกคือพระอรหันเหล่านั้นย่อมไม่ท่องเที่ยวไปคือไม่หันกลับไปในสงสารนี้ที่ท่านกล่าวว่า ขันธานังปฏิปาติทธะตุอายาตนานจะจักอโภโชนังวัตมานาสรส า, าโรติปวุจตินะครับลำดับแห่งขันธ์ธาตุอายาตนะิยังเป็นไปไม่ขาดสายเรียกว่าสงสารนะครับนี่แหละครับชีวิตเนี่ยแะแต่เช้าจดเย็นเย็นจดเช้าเช้าจดเย็นหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นสิบปีจากเป็นสิบปีก็จากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็วนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยเรียกว่าสงสารแต่โดยมากก็จะฟังว่าเกิดแก่เจ็บตายอันี้ก็คือคำพูดรวบยอดนะครับให้เห็นทุกสัตว์ว่างั้นเถอะเห็นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับถามว่าพระเหตุรายต่อว่าเพราะวิชาอันเป็นต้นเหตุคือเป็นมูลเหตุแห่งสงสารหมายความว่าเป็นมูลเหตุของขันธ์ธาตุอายตนะนะนะวิชาเนี่ยเป็นมูลคําว่ามูลคือเป็นเหตุตัปัจจัยนะครับเป็นสัมยุญตปัจจัยเป็นต้นนั่นเอง ส่วนอวิชาที่เป็นต้นเหตุแห่งหรือเป็นมูลแห่งสงสารย่อมไม่มีแก่พระอริยาสาวกเหล่านั้นคือพอาทานเนี่ยนะครับเพราะตัดขาดแล้วโดยประการทั้งปวงด้วยอรหัตตมัคคาย น, นะครับในชั้นต้นเนี่ยนะครับให้มีสุตะนะครับ